และนั่นก็แปลว่าคู่บุญอาจหมายถึงคู่ที่ร่วมทําบุญกันม า, มากกว่าร่วมทําบาปส่วนคู่บาปก็อาจหมายถึงคู่ที่ร่วมทําบาปกันมากกว่าร่วมทําบุญมองอย่างนี้อัคติจะลดลงอย่างควมภาพทันทีประเภทขัดเคืองใจนิดหน่อยก็เหมาว่านี่คู่แวรของเรา หรือประเภทต้องตาต้องใจเมื่อเริ่มพบก็หมาว่านี่แหละคู่แท้ของฉันเราจะเห็นตามจริงว่าถ้าต้องตามเมื่อเห็นถ้าเย็นใจเมื่อใกล้อันนั้นก็เป็นคะแนนทางความรู้สึกด้านดีชั้นแรกต่อเมื่อมีความผูกพันผ่านเหตุการณ์ดีร้ายหรือที่เรียกง่ายๆว่ารวมทุกข์รวมสุขด้วยกัน ตรงนั้นค่อยเป็นคะแนนสะสมในชั้นต่อต่อมากระทั่งปักใจเชื่อได้ว่าเป็นคู่บุญกันจริงๆความรู้สึกด้านดีชั้นแรกในระยะแรกพบศพตานั้นเป็นผลบุญจากการอยู่ร่วมกันมาก่อนในอดีตชาติส่วนการร่วมทุกข์ร่วมสุขผ่านเหตุการณ์ดีร้ายต่างๆมาด้วยกัน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 ที่มีรังสีช่วยชีวิตมาเป็นคู่ผัวตัวเมียกับมือปืนร้อยศพที่ทำมืนด้วยรังสีเอาชีวิตอย่างไรก็คงทนกลิ่นายที่เป็นตรงข้ามของกันและกันไม่ไหวและนั่นก็เช่นเดียวกันถ้าฝ่ายหนึ่งเจ้าชู้ร้อยลิ้นกรลาวนสัมสอนไปเรื่อยโดยไม่สนใจความสุขกระโปรงหมกมุ่นย่อมหน้ารังเกียจยิ่ง สำหรับคนใจซื่อถือความสะอาดผัวเดียวเมียเดียวสิลที่ร่วมรักษาให้บริสุทธิ์ดีแล้วย่อมทำหน้าที่สร้างความปบปุ่นเชื่อมั่นในการและกันสนิทใจไว้วางใจกันเป็นมั่นเหมาะ 3. ม, มีจาคะอันเป็นวิธีคิดแบ่งปันเสมอกัน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 เห็นข้าวของอะไรไม่ใช้แล้วก็คิดตรงกันว่าน่าบริจาคแก่คนที่เขาไม่มีอย่างเนี้ยยิ่งไปกันได้มีโอกาสร่วมบุญกันบ่อยๆยิ่งให้คนอื่นมากก็ยิ่งได้ความสุขในการสละมาเสริมใยแก้วร้อยสัมพันธ์ให้การแน่นแฟนขึ้นจากค้าที่ร่วมกันยินดีโดยพร้อมเพรียงย่อมก่อความรู้สึกซึ้งใจอย่างใหญ่ เหมือนอยู่ได้กันจะเป็นที่พึ่งให้กันปลอดภัยร่วมกันประคับประคองกันไม่มีวันล้มพร้อมกันหมีปัญญาเสมอกันกล่าวทางโลกคือคุยกันรู้เรื่องกล่าวทางธรรมะคือมีระดับการเห็นตามจริงใกล้เคียงกันหรืออย่างน้อย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 ก็คงนึกระอาหรือมันไสในการเป็นอย่างยิ่งปัญญาที่ร่วมเสริมส่งกันและกันยอมทำหน้าที่สร้างความร่าเริงในการสนทนาและความไม่พร่นที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันหากอดีตการคุณเคยครองเรือนกับผู้มีบุญเสมอกันทั้งสี่ข้อ ซึ่งอาจอย่อนนิดย่อนหน่อยได้ขอเพียงได้มาพบกันในชาตินี้ก็จะเกิดแรงดึงดูดที่ก่อความรู้สึกแสนดีอย่างประหลาดเหมือนเข้ากันได้ทุกอย่างเหมือนเห็นกันได้ทุกแง่มุมด้วยความเข้าใจกระจ่างและขอเพียงเกื้อกูลกันนิดนิดหน่อยๆน่อยเช่นฝ่ายหนึ่งมาถามทางอีกฝ่ายบอกทางให้เท่านี้ก็จะเกิดแรงปฏิพัทธ์ขึ้นอย่างรุนแรง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 ยืนพื้นอยู่บนกิเลสสามประการของมนุษย์ได้แก่หนึ่งราคะคือทำเรื่องบาดใจกันทางเพศไปมองคนอื่นไปคุยกับคนอื่นและกระทั่งไปมีคนอื่นกระแสกรรมอันสำเร็จด้วยการนอกใจจะเป็นของแหลมคมที่กรีดใจผู้ทำให้เป็นทุกข์ก่อนในรูปของความรู้สึกผิด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 ร ส, สนิยมทางเพศที่ไม่เสมอกันก็อาจเป็นชนวนได้แต่มาในรูปของความนายไม่อยากไปด้วยกันไม่ใช่ความบาดใจเหมือนอย่างการนอกใจกันแต่หากฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งขมเหงและเป็นโรคจิตวิปริตทางเพศกระทำย่ำยีให้อีกฝ่ายเจ็บกายเจ็บใจเป็นประจำก็มีส่วนก่อกระแสะภัยเวรขึ้นในสายสัมพันธ์ได้เช่นกัน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 อยากเอาคืนไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งพูดไม่ได้ก็เย้ยหยันเหยียดยามผ่านแววตาให้สะใจสัหน่อยก็ยังดีกรรมร่วมกันที่ทำด้วยโทสะจะเป็นแรงผลักไสหรือโดนใจให้นึกเกลียดกันแต่โทสะนั่นเองก็เป็นพลังร้อยรัดให้ต้องอดทนรนไม่ได้อยากวนเวียนมาทิ่มตามกันสัหน่อยได้ประชดประชัน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 อาจบันดาลให้อยากส่งคู่ครองไปสู่ปรโลกได้และถ้าฆ่ากันตายในชาติหนึ่งชาติถัดมาก็เกิดแรงยึดเหนี่ยวมาหากันอีกผ่านความดึงดูดทางเพศแล้วต้องทำร้ายถึงเลือดถึงเนื้ออีกจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะอาหวสิให้อย่างไม่มีเงื่อนไขทุกวันนี้ที่เห็นดาดเดิน คือการน้อยใจกันแล้วฆ่าตัวตายนี่เป็นกรรมร่วมที่อยู่ในหมวดของโทสะเจอกันใหม่ในชาติถัดไปก็จะมีอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวหรือเป็นเหตุบันดาลใจให้มักง่ายกับชีวิตอีกสมโมหะหมายถึงทำกรรมแบบโง่ๆร่วมกัน โดยอาสำคัญว่าได้ใช้ความฉลาดเฉียบแหลมไม่มีใครจับได้ไล่ทันฉันเคยร่วมกันโกงสงโกงเงินบริจาควัดโกงประชาชนโกงหมู่คณะโกงเพื่อนฝูงหรือโกงคนแปลกหน้าเป็นรายตัวกรรมที่ทำร่วมกันแบบโง่ๆนั้นกว้างขวางพิสดารไม่รู้จบเอาเป็นว่าถ้าทำความเดือดเนื้อร้อนใจให้กันและกันด้วยเหตุเพียงเล็กน้อย หรือทำความเสียประโยชน์สุกแก่มวลชนเป็นอันมากอันนั้นแหละกรรมร่วมกันที่ยืนพื้นอยู่บนโมหะไม่ต้องรอชาติหน้าเอาแก่ชาตินี้เมื่อถึงจังหวะที่กรรมเพลดผลก็จะอยู่ร่วมกันอย่างไม่เป็นสุขสักนาทีมีแต่เรื่องราวรุมเร้าหรือไม่มีเรื่องก็ก่อเรื่องให้กันเองความพินาศอันเกิดจากโมหะนั้นกล่าวได้ว่าน่ากลัวเหนือสิ่งอื่นใด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 ยิ่งถ้าต่างฝ่ายต่างมีชีวิตเรียบง่ายดีๆแต่พอมาอยู่ด้วยกันค่อยเกิดเรื่องขรุขระร้ายแรงบ่อยๆ อ, อันนั้นละฟันธงเลยครับใช่คู่บาปแน่หลักการดูคู่ขอแนะนำว่าลองชักชวนกันทำบุญดูความรู้สึกผูกพันด้านดี